การตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นการรู้อะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้นั้นคืออะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงค้นพบคือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายทางหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้ด้วยพระองค์เองที่ไม่มีใครในโลกนี้จะสามารถรู้ได้ด้วยตนเอง มีบุคคลคนเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าหรือก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกว่าพระโพธิสัตว์ผู้ได้บำเพ็ญบุญบารมีสิบประการมาอย่างโชคโชนเช่นเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีนคัมมะบารมี ปุเบขาบารมีปัญญาบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมีนี่คือบารมีผู้ที่ต้องการที่จะตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะพ้นพบทางสู่การหลุดพ้น จากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นจะต้องบาเพ็ญบารมีทั้งสิบนี้มาอย่างโชคชนดังตัวอย่างที่พระองค์ได้ทรงสแสดงไว้ในพระเจ้าสิบชาตินิทานชาดกอันนี้เป็นประวัติของพระพุทธเจ้าในแต่ละภพแต่ละชาติ ที่ได้ท่งบำเพ็ญบารมีชนิดต่างๆเชนพระเวชสันดรก็เน้นในการบำเพ็ญทานบารมีพระมหาชนกมหาชนกก็ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำมา เล่าให้พวกเราฟังกันว่าทำไมพระองค์จึงได้มาตัดสร้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่พวกเราทั้งหลายไม่มีความสามารถที่จะสามารถรู้ได้เห็นได้ด้วยตนเองคนอย่างพระพุทธเจ้าคนอย่างพระโพธิสัตว์นี่หายาก พอจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการในแต่ละภพแต่ละชาติที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องบำเพ็ญบารมีต่างๆเหล่านี้อย่างแสนสาหัสจะพูดว่าอย่างสุดโตงก็ได้แต่ละครั้งที่ทรงบำเพ็ญบารมีเหล่านี้ทรงบำเพ็ญอย่างสุดโตงอย่างเต็มที่ เวลาทำทานก็ทำทานอย่างสุดโต่งแม้แต่ลูกก็ยังสละให้ผู้อื่นไปได้เวลาบำเพ็ญวิริยะบารมีความเพียรลอยอยู่กลางทะเลก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจบน้ำตายแต่ยังมีกำลังวังชาอยู่ก็จะเพียรพยายามไหว้ไปเรื่อย นี่คือตัวอย่างของบารมีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญมาจึงทำให้พระองค์ได้มาตัดสู้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้เพราะการจะรู้ทางสู่ลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ต้องผ่านความทุกข์อย่างแสนสาหัส อย่างพระพุทธเจ้าทรงสละทรงอดพระกายาหารถึงสี่สิบเก้าวันเราวยังต้องนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพเป็นเวลาหลายหลายชั่วโมงด้วยกันกว่าที่จะได้พบทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์หลังจากที่พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นแล้ว องค์ก็ทรงมีความเมตตาต่อสัตว์โลกตอนต้นก็มีความท้อระไทบ้างเนื่องจากยังไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบก็ทรงไม่ทรงคิดที่จะนําความรู้ที่ทรงได้ทรงค้นพบนี้วิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์มาสอนผู้อื่นเพราะเห็นว่า เป็นวิธีการปฏิบัติที่ยากอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทั่วๆไปที่จะสามารถปฏิบัติได้แต่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงมีเวลาใขค้ควรพิจารณาก็ทรงสามารถแยกแยะบุคคลต่างๆเป็นสี่จำพวกได้คือทรงเปรียบเหมือนพวกบัวสี่เหลา่า ที่มีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันพวกที่มีความรู้ความสามารถมากก็มีมีความรู้ความสามารถลองลงมาก็มีพวกที่มีความสามารถน้อยก็ยังมีและพวกที่ไม่มีความรู้ความสามารถก็มีอยู่จึงทำให้พระองค์ทรงมีกำลังใจที่จะ มาสั่งมาสอนสัตว์โลกให้ได้รู้จักทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกนี้จึงทรงมุ่งไปสั่งสอนผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากที่สุดก่อนคือพวกนัก บ, บวชทั้งหลายเป็นพวกที่มีความรู้ความสามารถที่จะน้อมนำเอาพระธรรมอันประเสริฐความรู้อันประเสริฐ ของพระพุทธเจ้าไปส่งปไปปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพระองค์จึงส่งมุ่งไปสอนพวกที่มีความรู้ความสามารถมากที่สุดผู้ที่จะมีความรู้ความสามารถในทางหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ก็คือพวกนักบวชทั้งหลาย ที่ต้องมีศีลมีสมาธิและมีปัญญาที่จะรับปัญญาของพอระพุทธเจ้าได้ถึงจะสามารถเข้าสู่ทางหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทางหลุดพ้นของความทุกข์นี้พระ อ, องค์ทรงเรียกว่ามรรคหรือมรรคแปด เพราะว่ามีองค์ประกอบอยู่สี่องค์มีอยู่8องค์ด้วยกันจึงเรียกว่ามัรคแปบางทีก็เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางทางที่ไม่สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งอยู่กรงกลางระหว่างการดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขมากลบหาความสุขทางร่างกาย ทางตาหูจมูกนิ้นกายมากลบความทุกข์ใจซึ่งก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้หรือการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะทำลายความทุกข์ใจก็ไม่สามารถทำได้ต้องเป็นทางระหว่างสองทางนี้คือต้องมีการทรมานร่างกายบ้างต้องมีการ หยุดการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะสามารถเข้าสู่ทางสายกลางนี้ได้เข้าสู่มรรคที่มีองค์แปดนี้ได้มรรคที่มีองค์แปดนี้มีองค์ประกอบอยู่แสแปดองค์ด้วยกันคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบ หรือความเห็นที่ถูกต้องสองสัมมาสังกปความดำริชอบความดำริที่ถูกต้องคือความคิดที่ถูกต้องคำว่าดำริก็คือความคิดความความคิดที่ถูกต้องสามการกระทำที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมากรมันโตคิดให้ถูก ทำให้ถูกเรียกว่าสัมมากัมมันโตการกระทําชอบการกระทําที่ถูกต้องสการพูดที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาวาจาห้าอาชีพที่ถูกต้องคือสัมมาอาชิวะหกความภาคเพียนที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาวายาโม เการระลึกรู้ที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสติและ7การตั้งมั่นของจิตใจที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธินี่คือองค์ประกอบของมัตตทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงผู้ที่จะต้องการหลุดพ้น จากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นที่จะต้องมีองค์แปดองนี้องค์ประกอบแปดองนี้ถึงจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ความทุกข์ทางจิตใจและความทุกข์ทางร่างกายเพราะเมื่อความใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว ใจก็จะไม่กลับมามีร่างกายอีกจะไม่กลับมาเกิดอีกเมื่อไม่เกิดไม่มีร่างกายความทุกข์ทางร่างกายก็ย่อมไม่มีนี่คือมรรคที่มีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าทรงนามาเผยแผ่สั่งสอนสัตวโลกนับตั้งแต่วันแรกของระการประกาศพระศาสนา ประกาศพระธรรมคำสอนในวันเพ็ญเดือนแที่เราเรียกกันว่าวันอาสาหะบูชานั่นแหละเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาที่มีการัย์เผยแผ่ธรรมะให้แก่สัตว์โลกเป็นวันที่มีการปรากฏครบองค์ของพระรัตนตรัย คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาครบองค์ตอนที่เริ่มทรงประกาศนั้นยังไม่มีพระธรรมและไม่มีพระสงฆ์ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ใต้โคนต้นโพในวันเพ็ญเดือนหกเป็นวันที่ปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่มีพระธรรม ยังไม่มีพระสงฆ์มีเพียงแต่พระพุทธรัตนะมีแต่รัตนะองค์แรกคือพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นสองเดือนหลังจากที่พระองค์ได้สง่งมีเวลาไตรตรองพิจารณาเรื่องว่าจะสอนประกาศพระศาสนาะสอนพระธรรมคําสอนให้แก่สัตว์โลกหรือไม่ หลังจากที่ได้ทรงตัดสินพระไทยว่าจะสอนก็เลยทรงวุ่งไปหาผู้ที่จะสามารถรับคำสอนได้อย่างรวดเร็วก็คือพระปัญจวัคคีย์ทังหาที่เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามาก่อนต่ต้องมาจากกันเนื่องจากเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรง ทรงยอมแพ้ต่อความทุกข์ที่เกิดจากการอดพระกายอาหาร4ี่สบเก้าวันโดยไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันไม่ได้เป็นทางสู่การหลุดพ้นสุขจากความทุกข์ด้วยการทรมานร่างกายจึงทรงหยุดการทรมานร่างกายแล้วมุ่งมาทรมานจิตใจแทน พระปัญจวคีทั้งห้าไม่ฉลาดไม่เข้าใจคิดว่าพระพุทธเจ้ากลัวตายจึงต้องอดกลับมาชันพระกายาหารจึงเสื่อมศรัทธาในองค์ของพระพุทธเจ้าจึงเตียตตีตัวจากพระพุทธเจ้าไปปล่อยให้พระพุทธเจ้าอยู่ทรงลําพังทรงบาเพ็ญตามลําพัง อพอพระพุทธเจ้ามีดำริที่จะประกาศพระธรรมคําสอนก็ทรงคิดถึงพระปัญจวัคคีทั้งห้าว่าเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับความรู้จากพระพุทธเจ้าได้อย่างรวดเร็วเลยทรงมุ่งไปหาพระปัญจวัคคีพอพบกันก็ทรงแสดงธรรมให้พระปัญจวัคคีฟังกันสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงก็คือ มรแปดนี้เองความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดจะรู้หลังจากที่ได้ทรงแสดงเสร็จหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์คือพระอาญญานโกนทัญญาก็บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งหลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นที่หนึ่งขั้นของพระโสดาบัน วนนั้นจึงมีพระอริยสงฆ์สาวกปรากฏขึ้นมาและมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกคือมีพระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมคําสอนและมีพระโสดาบันได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจากการได้ยินได้ฝัง พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องของมรดกของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนแปดสี่สิบห้าปีก่อนพุทธศักราชเพราพุทธศักราชของพวกเรานี้จะนับจากวันที่พระพุทธเจ้าได้ เสด็จ ด, ดับขันธ์ปาินิพพานไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าตอนที่ทรงแสดงพระธรรมนั้นยังไม่ได้ดับขันธ์ยังมีพระชนมายุเพียง35พันปศาจึงทรงอยู่ประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกถึง45้าพันษศาด้วยกัน45ปีด้วยกัน 45, พระพุทธศักราลาเรานับเริ่มต้นจากวันที่พระพุทธเจ้าทรงจากโลกนี้ไปถ้ามาถึงวันนี้ก็สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดปีบวกกับอีกสี่สิบห้าปีก็จะเป็นวันเกิดของพระรัตนใจวันเกิดของพระพุทธศาสนา วันที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมบูรณ์วันนั้นจึงถือว่าเป็นวันเกิดหรือวันก่อตั้งของพระพุทธศาสนาสอง1ันห้า้ยหกสิเอ็ดปีบวกสี่สิบห้าสองันหกร้อกับหปีสี่สิบเอดบวกสี่สิบห้าบวกหกสิบเอดก็106ยห0สองันห้าร้อยเป็นสอง1ันหร้อยหนึ่ง ดีคืออายุของพระพุทธศาสนาถ้ามีใครเขาถามเขาอยากจะรู้ว่าศาสนาพุทธของเรามีอายุยืนยาวนานมาเท่าไหร่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรวันนี้พวกเราก็ได้มีความรู้อันนี้แล้วสามารถตอบให้เขาได้ฟังได้อย่างชัดเจนว่าการจะมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้นั้นจำเป็นจะต้องมีอะไรเป็นส่วนประกอบ วันนั้นไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีกุฏินี่ไม่ใช่เป็นองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนาองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีโบสถ์หรือไม่มีเจดีย์หรือไม่มีวัดหรือไม่อยู่ที่ว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ ในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามแต่เราก็ยังถือว่าเรายังมีพระรันาตนตรัยครบองค์อยู่เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากไปว่าธรรมะคำสอนของเรานี่แหละจะเป็นตัวแทนของเราต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่ปราศจาก ศาสดาถ้าพวกเธอมีพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้แหละคือพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นทั้งตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นทั้งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเป็นทั้งพุทธรัตนะเป็นทั้งธรรมรัตนะ ส่วนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกก็มีอยู่ในปัจจุบันยังมีอยู่ยังมีพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ซึ่งเราจะเห็นได้รู้ได้หลังจากที่ท่านได้มรณาภาพไปแล้วอัฐิของท่านก็จะกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาก็แสดงว่ายังมีพระอาหารหันตสาวก อยู่ในโลกนี้เราจึงเชื่อได้ว่าเรายังมีพระรัตนตรัยอยู่ครบองค์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่ศาสนาของเรายังไม่มียังไม่สิ้นสุดแต่พระพุทธเจ้าก็ท่งได้พยากรณ์ไว้ว่าจะอยู่ได้ประมาณห้าพันปีตอนนี้พวกเรา อยู่ในยุคที่เราสามารถที่จะตักทวงผลประโยชน์จากพระศาสนาได้จากพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าได้พวกเรายังสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าพวกเราศึกษาพระธรรมคำสอนก็คือมรรคแปด ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันให้เราเดินไปในทางนี้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากกอ ง, กองทุกข์ทั้งหลาย<ม>ต้องไปในทางของมรรคแปด<ม>เราต้องสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเป็นองค์แรกอะไรคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเหตุที่ทําให้พวกเราติดอยู่ในกองทุกข์กันก็มีอยู่สองเหตุด้วยกันเหตุที่หนึ่งก็คือการกระทําบาปทางกายทางวาจาเวลาเราทําบาปทางกายทางวาจาใจเราจะไม่สบายใจเราจะทุกข์อันนี้เป็นเหตุอันแรก เหตุอันที่สองที่ทำให้พวกเราใจของพวกเราทุกข์กันยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันก็คือตันหาทั้งสามความอยากทั้งสามประการคือหนึ่งการมตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะสองภวะตันหาความอยากมีอยากเป็น เช่นอยากร่ำอยากรวยสรุปก็คือความอยากเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขนี้เองและข้อที่สามความอยากไม่มีไม่เป็นก็คือความอยากไม่เสื่อมจากลาบยศสรรเสริญอยากความ เ, าเสื่อมของทางร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตาย นี่คือองค์องประกอบหรือเหตุที่จะทําให้ใจของพวกเราทุกทําให้ใจของสัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดกันเกิดจากาความอยากสามประการนี้เกิดจากกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วเมื่อเกิดความอยากก็จะนําไปสู่การกระทําบาปทางกายทางวาจาต่อไป เวลาอยากได้อะไรมากๆแล้วไม่สามารถหามาได้โดยวิธีที่ไม่ต้องทำบาปก็จะไปทำบาปกันไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดมดเทศโกโหกหลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนเองอยากได้เช่นลาบยศสรรเสริญสุขนี้เองอนี่คือสัมมาทิฏฐิ เราต้องมีความเห็นเราต้องรู้ว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากการกระทาบาปทางกายทางวาจาและทางใจของเราเองนี่งบาปทางกายทางวาจาก็คือการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็ดเรียก ว, ว่าบาปทางกายทางวาจาบาปทางใจก็คือความอยากนี่เอง กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเรียกว่าความอยากทางใจที่เราจะต้องมาละกันมากาจัดกันนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องวิธีที่จะดับความทุกข์ต้องมาดับการกระทำบาป ท, ทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้ว เราก็จะได้ไปสู่เราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องซึ่งเป็นมรรคองค์ที่สองมรรคองค์ที่สองคือเราจะคิดอย่างไรถึงคิดว่าถูกต้องก็คิ ด, ค ด, คดละการกระทาบาสนั่นเองเช่นเราคิดมาอยู่วัดมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนี่แหละคือวิธีละการกระทาบาปทางกายทางวาจาและทางใจ ทางกายทางวาจาก็ถือศีลแปดกันเอศีลห้ากันศีลแปดกันตามกําลังถ้ายังแปดไม่ได้ก็เอาห้าก่อนถ้าห้าได้ก็เพิ่มเป็นหกเพิ่มเป็นเจ็ดเพิ่มเป็นแปดไปตามกําลังส่วนบาปทางใจที่เราจะมาละก็ต้องละด้วยการภาวนาเรามาคิดจะมาวัดก็คิด คิมาละบาปทางกายทางวาจาทางใจด้วยการถือศีลด้วยการปฏิบัติธรรมนี้เองเรียกว่ามีความคิดที่ถูกต้องอย่าไปคิดไปดับความทุกข์ด้วยการไปเที่ยวเวลาอยู่บ้านเหงาอยากจะดับความเหงาก็เลยไปเที่ยวกันหรืออยากเหงาหาแฟนมาอยู่เป็นเพื่อนอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีดับทุกข์ อันนี้เป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องมีความเสื่อมไปเที่ยวเดี๋ยวเงินก็หมดหมดก็ทุกข์ต้องไปหาเงินเพื่อที่จะได้มาเที่ยวใหม่มีแฟนเดี๋ยวแฟนก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวจากการรักเราชอบเราก็กลับมาเกลียดเราโกรธเรา มาทะเลาะเบาแหวงกันมีปัญหาต่อกันนี่คือไม่ใช่วิธีดับทุกคิดแบบนี้คิดผิดถ้าคิดจะไปดับทุกข์ด้วยการไปหาราบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นลดผลทพะเป็นการคิดผิดไม่ใช่สัมมาสังกัปปรสัมมาสังกัปปรต้องไปละบาปกัน ละบาปทางกายทางวาจาทางใจด้วยการใยบำเพ็ญในขมมะบารมีบวชในขมมะก็คือการถือศีลแปดและบำเพ็ญกรรมฐานภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่คือเป็นการคิดที่ถูกต้องเมื่อเรามีความคิดที่ถูกต้องเราก็จะมีการกระทําที่ถูกต้อง คือเราก็จะไม่กระทําบาปทางกายทางทางกายบาปทางกายคืออะไรก็คือการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีเราก็จะมารักษาละเว้นบาปทางกายกันแล้วเราก็มาละเว้นบาปทางวาจาก็คือสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตก็คือการกระทําที่ถูกต้องคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องก็คือไม่พูดปลดมดเท็ดนั่นเองถ้าเราจะปฏิบัติสูงขึ้นไปกว่านั้นสัมมากัมมันโตเราก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกเช mm hmm. ่นไม่ดื่มสรายาเมาไม่ ลับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่เที่ยวไม่หาความสุขทางมหัศรศบันเทิงเรือการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามทางร่างกายไม่หลับนอนบนเตียงที่มีฟูก น, นหนาๆนอนแบบสบายนอนมากเกินไปต้องการนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายต้องนอนบนพื้นแข็งๆจะได้ไม่นอนมากเกินไป อันนี้ก็เป็นศีลขั้นสูงเป็นสมมากมันโตสัมมาวาจาขั้นสูงสัมมาวาจานอกจากการไม่พูดปดแล้วก็ต้องไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดนี่ก็คือเป็นสัมมาวาจาขั้นละเอียดถ้ขั้นหยาบก็แค่สัมม า, าก็ ขั้นเพียงแต่ไม่พูดปดมดเท็จการกระทำบาปขั้นหยาบก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เดิมสุรายาเมาขั้นละเอียดก็เพิ่มเป็นศีลแปดนี่คือสัมมากรรมโตการกระทำที่ถูกต้องและสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้อง แล้วก็จะพาให้เราไปสู่สัมมาอาชีโวะอาชีพก็ต้องเป็นอาชีพที่ไม่ไปส่งเสริมการกระทำบาปไม่ส่งเสริมการการเสียหายเดือดร้อนของผู้อื่นเช่นการค่าอาวุธอาวุธไี่ไว้ใช้ทำอะไรก็ไม่ไว้การใช้ฆ่ากันไว้เป็นการทาบาปอาวุธหรือกับดักสัตว์ต่างๆ อันนี้ก็ไม่ทำอาชีพเหล่านี้หรือค้าสุรายาเมายาเสพติดเพราะเป็นการทำให้ผู้เสพนั้นขาดสติและจะไปทำบาปต่อผู้อื่นต่อไปไม่ค้าสิ่งที่มีชีวิตเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่เพราะเขาจะเอาไปฆ่าถึงแม้ว่าเราไม่ฆ่าเองแต่เราค้าขายสัตว์เหล่านี้ เขามาซื้อสัตว์เหล่านี้เขาก็ซื้อไปฆ่ากินนั่นเอง ừ, อก็ต้องละเว้นอาชีพเหล่านี้ถึงยมีสัมมาอาชีโวมีอาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องก็อาชีพที่ไม่ไปส่งเสริมให้ผู้อื่นเขาทำบาปเช่นอาชีพอย่างอื่นอะไรก็ได้ ừ, ขายผ้าขายเสื้อผ้าขายปัจจัยสี่อย่างนี้เป็นอาชีพที่ดี เพราะทำให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์ได้รับอาหารได้รับเครื่องนุ่งหม่มได้รับยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอย่างนี้เป็นอาชีพที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาอาชิวะแล้วเราก็จะมามีสัมมาวายาโมต่อความภาคเพียนชอบเพียนอะไรก็เพียนละบาปนี่เอง เพลิลิบาปทางกายทางวาจาและทางใจเมืมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็มาถือศีลกันศีลหศีลห้านี้ถือเป็นปกติไม่ว่าเราจะทํามาหากินทำอาชีพทําธุรกิจทําอะไรเราถือศีลห้าเป็นหลักแล้วในวันที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานเราก็มาถือศีลแปดกันศีลแปด นี่เรียกว่ามีสัมมาวาเป็นความเพียรที่ถูกต้องเพียรเพียรรักษาศีลแปดแล้วก็มาเพียรภาวนาเพียรมาชำระกิเลสชำระความอยากบาปทางใจด้วยการภาวนาการภาวนานี้ขั้นต้นเรียกว่าส ม, มถาภาวนาคือทำใจให้สงบ ใจจะสงบได้ก็ต้องมีสัมมาสติสติที่ถูกต้องการระลึกที่ถูกต้องระลึกอย่างไร<ม>ก็ระลึกอยู่ในกรรมฐานสี่สิบนี่กรรมฐานสี่สิบ น, 40, นี้เป็นที่ตั้งของสัมมาสติถ้าอยากจะมีสัมมาสติให้เอากรรมฐานสี่สิบนี้ข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นที่ตั้งของสติเช่นเราใช้พุโทโธพุโทโธ เรียกว่าพุทธานุสติเป็นที่ตั้งของสัมมาสติบางคนบอกว่าการไปช้อปปิ้งแบบมีสติก็เป็นสติอันนี้ไม่ใช่เป็นที่ตั้งของสติเพราะมันเป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหาถึงแม้ว่าจะมีสติในการท่องเที่ยวแต่มันไม่ได้ไประ ง, งับดับกิเลสตัณหามันกลับไปส่งเสริมกิเลสตัณหา บางคนมาเถียงบอกว่าฉันไปเที่ยวฉันก็ต้องมีสติฉันไปช้อปปิ้งฉันก็ต้องมีสติฉันไปดูหนังฟังเพลงฉันก็ต้องมีสติถึงจะดูได้ถึงจะฟังได้ใช่แต่มันไม่ใช่เป็นสัมมาสติมันเรียกว่ามิจฉาสติฉันไปป้นไปขโมยฉันก็ต้องมีสติเหมือนกันโจรผู้ร้ายจะไปป้นนี้ก็ต้องมีสติ ถ้ากินเหล้าเมาแล้วไปป้นไปขบอยเงินทองเขาไม่ได้นะมันต้องมีสติเพียงแต่ว่ามันเป็นมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสติต้องเป็นสติที่อยู่ในกรรมฐานสี่สนกรรมฐานสี่สบนี้มีอนุสติสิบเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติแล้วลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่ง ก็เรียกว่ามีพุทธานุสติสัมมาธรรมานุสติสังคานุสติแล้วลึกอยู่กับลมหายใจก็เรียกว่าอานาปานาสติอานาปานาแปลว่าลมเข้าลมออกอานาปานาสติหรือโมณ า, านุสติก็ระลึกถึงความตายความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ก็เป็น มรณะเป็นสติอนุสติหรือกายะกะตาสติเลยเลิอกอยู่การกับร่างกายคอยเฝ้าดูร่างกายทุกเวลานาทีว่าร่างกายกำลังทาอะไรอยูอ่กำลังอาบน้ำกำลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการอาบน้ำแปลงฟันไม่ใช่อาบน้ำไปแล้วก็ไปอยู่ที่ร้านช้อปปิง้งหรือที่ท่องเที่ยวอันนี้ไม่ใช่เป็นการตั้งสติ ตัางสติต้องตั้งอยู่จุดเดียวจิตต้องอยู่ที่เดียวอยู่ที่ร่างกายก็ต้องเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาว่าร่างกายกำทังกำลังทำอะไรอยู่เรียกว่ากายกตาสติเดี๋ยวนี้ตัวอย่างของอนุสติสิบแล้วก็มีกระสินสิบก็คือให้จิตเพ่งอยู่กับแสงหรือสีอย่างใดอย่างหนึ่งสีเขียวสีแดงสีขาว ให้เพ่งให้เราเลือกถึงสีนั้นดับตาหลับตาแล้วก็นึกถึงสีที่ต้องการใช้เป็นกระสินให้จิตเพ่งอยู่กับสีนั้นสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวอันนี้ก็เรียกว่ากะสินเลือกเอาสีใดสีหนึ่งอย่าเอาหลายสีปนกันต้องเป็นเรื่องเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เอาหลายหลายสีมาปะกันเหมือนเป็นสีของสายรุง เอาสีเดียวเพราะจิตจะต้องเป็นหนึ่งจิตจะสงบได้เป็นสมาสมาธิได้ต้องเพ่งอยู่กับอันเดียวจึงมีกระสินอยู่สิบชนิดด้วยกันแล้วก็มีออสุภะสิบชนิดเอคือสร้างศพสิบชนิดก็เป็นที่ตั้งของสติได้ให้ไปดูศพชนิดต่างๆศพที่เพิ่งเริ่มตายศพตายใหม่ศพที่ขึ้นอืดสามวันสี่วันศพที่เอ ส่งกินเหม็นแตกเละเฟะศพที่มีแรงกามากัดมากินตับไตไส้พุงศพที่กระจัดกระจายแขนขาไปคนละทิศคนละทางศพที่แห้งกรอบอนี่อันนี้เหลือแต่โครงกระดูกนี่คือศพลักษณะต่างๆเป็นที่ตั้งของสัมมาสติได้เพราะ จิตจะไม่คิดปรุงแต่จิตจะมีแต่ความสงบจิตจะสักแต่ว่ารู้กับสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือตัวอย่างของกรรมฐาน40สก็ยกมา30สบอย่างอนุสติ 10, สิบเกษินสิบอสุภะสิบแล้วก็ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถไปศึกษาค้นคว้าได้แต่ไม่จำเป็นเพราะสำหรับผู้เริ่มต้นนี่ เอาพุท ธ, ธานุสติหรือกายะกะตาสตินี้ก็พอแล้วถ้าใช้พุท ธ, ธานุสตินี้ก็พุโทโธไปทั้งวันเลยติินก็มาลืมตาก็พุโทโธพุธโทโธอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องคิดถ้าต้องคิดเรื่องที่จำเป็นก็หยุดพุโทโธได้เช่นเวลาต้องทำงานต้องใช้ความคิดกับงานที่ทาก็หยุดพุโทโธไว้ได้ชั่วคราว แต่ถ้าผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมนี้ก็แทบจะไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยมีแต่เรื่องที่คิดเดียวเดียวแป๊บเดียวเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลความสะอาดของสถานที่อยู่อาศัยหรือเรื่องของร่างกายเท่านั้นเองนอกจากนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดอะไรถ้าไปคิดถึงบ้านคิดถึงพี่ถึงน้องคิดถึงเงินถึงทองก็ต้องใช้ พุโทโธมาหยุดมันอย่าปล่อยให้คิดนะให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยให้ใจว่างปราศจากความคิดให้เหลือแต่ความรู้ผู้รู้เท่านั้นให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ให้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปรู้อดีตเพราะถ้าเป็นอดีตก็เป็นความคิดนะไปรู้อนาคตก็เป็นความคิดนะถ้ารู้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องคิดนะ รู้ว่ากำลังเดินรู้ว่ากำลังยืนรู้ว่ากำลังนั่งรู้ว่ากำลังรับประทานอาหารรู้ว่ากาลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวารู้ว่ากำลังยกแขนขึ้นวางแขนลงแกว่งแขนรู้การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายทุกอิริยาบทอันนี้ก็เป็นการเจริญสติเรียกว่ากายกตาสติ ถ้าไม่อยากบริกรรมพุโทโธก็ให้ดูเฝ้าดู<ค>ร่างกายการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายตลอดเวลาก็จะมีสัมมาสติขึ้นมาถ้ามีสัมมาสติเวลาไปนั่งเฉยๆนั่งหลับตาใจก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้สมาธินี่ก็มีทั้งสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิ สมาธิที่เป็นสมาสมาธิก็คื อ, คอจิตนิ่งสงบรวมเป็นหนึ่งแสกตาแวรู้เป็นอุเบกขาแล้วก็มีความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่พระเจ้าทรงตัดว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขังสมาธิแบบนี้มีอยู่สองระดับคือคานิกะกับอัปปนาสมาธิคานิกะก็คือสงบเดียวเดียว ชั่วขณะหนึ่งเข้าไปแล้วก็ถอนออกมาอันนี้จะเป็นสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเข้าสมาธิใหม่ๆจะเจอสมาธิแบบนี้เพราะสติยังมีกำลังไม่มอดพอที่จะทำให้อยู่เป็นอัปปนาสมาธิได้เข้าไปแล้วก็จะถูกกิเลสดันออกกลับมาถูกตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะะะะะะ ดันให้ออกมาจากสมาธินี้แต่ถ้ากลับไปหมั่นไปฝึกสติอยู่เรื่อยๆไปสร้างสัมมาสติให้มีมากขึ้นไปอยู่เรื่อยๆข่าวต่อไปนั่งมันก็จะรวมได้นานสงบได้นานเป็นอุเบกขาได้นานอันนี้เป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่จะไปสนับสนุนวิปัสสนาหรือสัมมาทิฏฐิคือไปละการกระทบบาปทั้งปวงละ การเกาทำบาปทางกายทางวาจาและทางใจได้ถ้าใช้ถ้ามีถ้าไปในทางมิจฉาสมาธิก็จะไม่มีกําลังมิจฉาสมาธิคืออะไรก็คืออุปจารสมาธิสมาธิที่ไม่นิ่งไม่สงบนิ่งพอ n ปั๊บก็ออกไปรับรู้สิ่งต่างๆเช่นรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์หรือไป มีอภินยาความรู้ความสามารถพิเศษเช่นสามารถอ่านจิตใจของผู้อื่นได้ระลึกชาติได้เหาะเหินเดินอากาศดำดินได้อาการต่างๆเหล่านี้เป็นอาการของอุปจารสมาธิที่ปราศจากอุเบกขาปราศจากความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่จะไม่มีกําลัง ที่จะไปสนับสนุนการจเจริญสัมมาทิฏฐิการจเจริญสัมมาสังกปรการจเจริญสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาได้ต้องมีสัมมาส ม, มาธิคือส ม, มาธิที่นิ่งสงบที่ศักแต่ว่ารู้ที่มีความสุขมีอุเบกขาที่จะสามารถไปละตันหาทั้งสามได้ละการกระทำบาปทั้งปวงได้ ต้องมีสัมมาสมาธินี่คือเรื่องของมรรคที่มีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทางกายทางใจต้องมาเจริญอมรรคที่มีองค์แปดนี้ ถ้าเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเราต้องทำอย่างไรเราก็ต้องไปศึกษาจากผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องมีใครบ้างที่มีความเห็นที่ถูกต้องก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นในโลกนี้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องเราจึงต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนั่นเองเป็นครูเป็นอาจารย์ เราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้สั่งสอนให้เราเกิดมีสัมมาทิฐิขึ้นมาเพราะถ้าไปเรียนกับผู้อื่นเขาจะบอกว่าความทุกข์ของพวกเราเกิดจากการไม่มีเงินทองไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตไม่มีแฟนไม่มีลูกเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะมีความสุขก็ไปหาแฟนหาลูก ไปหาเงินหาทองไปหาตำแหน่งอะไรต่างๆเพื่อเราจะได้มีความสุขแล้วกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่แต่นี่ไม่ใช่เป็นการกำจัดความทุกข์แต่การไปหาความทุกข์เพิ่มอยู่ตามลำพังก็ทุกทุกพอสำควรแล้วแล้วจะองไปทุกข์กับคนอื่นอีกไปมีแฟนก็ต้องไปทุกข์กับแฟนไปมีภรรยาอมีลูกก็ต้องไปทุกข์กับลูกอีก มีตำแหน่งก็ต้องทุกข์กับตำแหน่งมีเงินทองก็ต้องไปทุกข์กับเงินทองถ้าไปเรียนกับผู้อื่นเขาจะสอนอย่างนี้ไปเรียนที่มหาลายัยเขาก็สอนให้เราไปหาเงินทองกันไม่ใช่เลยระดับปริญญาตรีโทเอกนี่เป็นวิชาหาเงินทองหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกมินกายกันทั้งนั้นแล้วพวกที่จบปริญญาเหล่านี้สุดพ้นจากความทุกข์หรือเปล่า แล้วกลับมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นอีกยิ่งฉลาดกับยิ่งทุกข์มากขึ้นไปยิ่งรู้มากยิ่งโลภมากเมื่อโลภมากอยากมากก็ยิ่งทุกข์มากสมัยที่ไม่รู้ตอนเป็นเด็กไม่ไปโรงเรียนนี้ไม่ค่อยทุกข์เลยขอให้ได้กินได้นอนได้เล่นก็พอแล้วเด็กๆมันถึงไม่อยากจะไปโรงเรียนกันมันไม่รู้ไปทำไมไปแล้วงโง่ไปทาไมชู้ไม่ไปดีกว่าอยู่เป็นเด็กดีกว่า มีกินมีนอนก็มีความสุขแล้วแต่ไปเรียนรู้ทำไมรู้แล้วมันรู้มากยิ่งอยากมากเห็นไหมตอนเด็กๆนี่ได้ใช้วันละสิบาทยี่สิบาทก็ดีใจแล้วพอใจแล้วพอรู้มากว่ามีเงินทองแล้วจะซื้อนูน่นซื้อนี่ได้นี้ก็อยากได้เงินทองมากก็สิเดี๋ยวนี้มีวันละร้อยวันละพันก็ไม่พอใช้มีวันละหมื่นก็ไม่พอใช้พราะมันจะมันยิ่งฉลาดขึ้นไป แต่มันเป็นการฉลาดที่ทำให้เกิดความทุกข์ไม่ได้เกิดความสุขเพราะทำให้เกิดความโลภความอยากเพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นถ้าเราอยากจะมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องมีความรู้ที่จะสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านจะไม่สอนให้เราไปหาลาบยศสรรเสริญ ไม่ไปสอนให้เราไปหาครอบครัวไม่ให้ไปหาสามีภรรยาไปหาบุตรหาธิดาหาอะไรต่างๆที่คนในโลกนี้เขาหากันเพราะมันไม่ได้เป็นวิธีดับความทุกข์ที่แท้จริงดับความทุกข์ชั่วคราวทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้เองพอได้สิ่งที่อยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็ระ ง, งับไปชั่วคราวแต่ไม่หายเพราะความอยากมันไม่หาย เดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาแรงกว่าเก่าอีกโบราณก็าบอกพอได้คืบแล้วทีนี้ก็อยากได้สอกได้สอกก็อยากได้วาได้เงินเดือนหมื่นก็อยากจะได้เงินเดือนเป็นแสนได้เป็นแสนก็อยากจะได้เป็นล้านได้เป็นล้านก็อยากจะได้เป็นสิบล้านร้อยล้านขึ้นไปเรื่อยอันนี้ดูตัวอย่างเศรษฐีทั้งหลายตอนต้นเขาก็มีแค่เสื้อ เสื้อใบมอนใบเท่านั้นแหละมาเมืองไทยแล้วก็มาตั้งรกรากมาทำมาหากินตอนต้นก็เปิดร้านขายของทำอะไรไปพอขายดีก็เพิ่มสาขา ข, าขึ้นมาขยายกิจการขึ้นมาจนกระทั่งมีกิจการหลากหลายหลายรูปแบบหลายสาขาด้วยกันแล้วก็ยังไม่หยุดมีเงินกินไปจนวันตายก็ไม่หมดก็ยังไม่หยุด แล้วความทุกข์มันจะไปหมดได้อย่างไรความทุกข์มันก็อยู่เหมือนเดิมมีมากกว่าเดิมถ้าถ้าไปเรียนกับผู้อื่นก็จะได้ความรู้อย่างนี้จะถูกหลอกให้ไปหาความทุกข์เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าได้ความสุขก็เป็นความสุขช่วงใหม่ๆตอนที่ได้สิ่งที่อยากได้มาเท่านั้นพอได้มาแล้วความสุขนั้นก็หายไป แล้วความทุกข์ใหม่ก็เกิดขึ้นเพราะมีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอยากจะได้สิ่งที่ยังไม่มีต่อไปดังนั้นถ้าอยากจะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องไปฟังเทศฟังธรรมนั่นเองเนี่ยอันดีสมของการฟังเทศฟังธรรมท่านก็แสดงไว้แล้วมีอยู่ห้าข้อหนึ่งในห้าข้อนั้นก็เกิดจะมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วถ้าเราฟังซ้ําอยู่เรื่อยๆเราก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับสาจะกําจัดความสงสยัยลังเลสงสัยได้ว่าวิธีการดับทุกที่แท้จริงนี้ดับอย่างไรใหม่ๆยังอาจจะสงสัยอยู่แต่ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าออวิธีของพระพุทธเจ้านี่แหละ เป็นวิธีที่ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำทรงสละราชสมบัติสละราบยศิรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ออกไปบาเพ็ญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนารักษาศีลของนักบวชเกิดศีลแปดขึ้นไปอันนี้ คืออนิสงส์ที่จะได้จากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่นจะสอนเราแค่นี้สอนธรรมะให้กับเราสอนมรรคที่มีองค์แปดนี่แหละไม่ได้สอนอะไรอย่างอื่นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคําสอนของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงไว้ที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้ถึงแม้จะมีอยู่ถึงแปดหมื่นสี่พันบท แต่เป็นคำสอนอย่างเดียวกันเรื่องเดียวกันก็เรื่องของการดับทุกข์นี่ทั้งนั้นเหมือนกับน้ำในมาหาสมุทรเนี่ยน้ำในมาหาสมุทรจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็มีรสอย่างเดียวกันทั้งหมดมีรสเดียวก็คือความเค็มไปที่มาหาสมุทรไหนก็ตามไปมาหาสมุทรที่ญี่ปุ่นที่อเมริกาที่ยุโรปลองไปชิมน้าในทะเลดูน้าในมาหาสมุทรดู มันก็จะเป็นรสชาติอันเดียวกันคือรสเค็มจะไม่มีรสหวานรสเปรี้ยวอยู่ในน้ําในมาหาสมุทรไม่ว่าจะอยู่ในมาหาสมุทรใดก็ตามฉันใดพระไตรปิฎกที่มีบทคําสอนถึง8ปด0 0ื่สี่พันพระธรรมขันธ์นี้ก็มีเรื่องเดียวเท่านั้นเรื่องสัมมาทิฏฐินีเ่เรื่องเหตุของทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ก็เกิดจากการทำบาปทางกายทางวาจาและทางใจและการจะดับเหตุเหล่านี้ต้องดับด้วยเงเลยก็ดับด้วยสัมมาสังกปโปกความคิดที่ถูกต้องสัมมากมัมโตการกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชิโวอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายาโมวความภาคเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติ และสัมมาสมาธินี่เองที่จะเป็นผู้ที่จะมากําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการกระทาทางบาปทางกายทางวาจาใจาได้เพราะการปฏิบัติเหล่านี้จะมาระ ง, งับการกระทาบาปทางกายทางวาจาและทางใจนั่นเองนี่คือการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีเป้าหมายอยู่ตรงนี้ อยากไปเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อขอลูกขอสามีขอภรรยาขอให้สอบได้เหนื่อยมาหาทีไรมาขออย่างนี้ลุกทีพอขอไม่ได้ของพวกนี้ขอพวกนี้อยากจะได้ต้องหาเองพระไม่มีให้สามีไม่มีไ ม, มไม่มีลูกไม่มีภรรยาจะมาขอของเหล่านี้ต้องไปหาเอาเองที่นี่มีแต่ธรรมะคําสอนเท่านั้น มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องมีมรรคแปดมีทางที่นําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นดังนั้นเวลาเราเข้าวัดเราต้องรู้ว่าเรากําลังไปซื้ออะไรเหมือนเราไปร้านซื้อของเราจะซื้ออะไรเราต้องดูก่อนว่าร้านนี้มีขายหรือเปล่าใช่ไหมเราจะซื้อเสื้อผ้าเราก็อย่าไปซื้อที่ปั๊มน้ํามันนี้มันไม่มีเสื้อผ้าให้เราซื้อหรอกปั๊มน้ํามันเขาขายแต่น้ํามันะ แต่อยากจะซื้อเสื้อผ้าก็ต้องไปที่ร้านขายเสื้อผ้าอยากจะซื้ออาหารก็ต้องไปร้านที่เขาขายอาหารที่นี่มีแต่ขายทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นวัดวาอารามเป็นที่สอนธรรมะสอนมรรคแสอนให้รู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจไม่ได้สอนให้เพิ่มความทุกข์ขึ้นมา เพราะความอยากต่างๆที่สิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นมันเป็นตัวที่จะทำให้เรามีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่มีความทุกข์น้อยลงเรามีร่างกายนี้เราก็ทุกข์แค่หนึ่งเท่าไปมีร่างกายของคนอื่นมาก็เป็นทุกข์สองเท่าพอมีสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์สองร่างกายแล้วร่างกายของเราก็ทุกข์ร่างกายของเขาก็ทุกข์สองเท่าพอไปมีลูกก็สามเท่ามีลูกสองคนก็สี่เท่า แล้วต่อไปลูกก็ไปมีหลานอีกมันก็จะมีแต่เพิ่มความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเมื่อมีร่างกายมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายพอเป็นของเราขึ้นมาใครแก่ใครเจ็บใครตายก็ทำให้เราทุกข์กันขึ้นมาดังนั้นอย่าไปมีอะไรการมีนี่เป็นการไปหาความทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของชั่วคราวนั่นเอง มีแล้วก็จะต้องมีวันหมดไปมีการเกิดแล้วก็จะต้องมีการดับไปมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมพอมีการเสื่อมมีการดับก็มีความทุกข์ตามมาร้องหมบร้องไห้กันเวลาไปงานศพไม่เห็นมีใครหัวเราะยิ้มกันเลยเพราะอะไรเพราะต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่รักนี้เป็นของไม่เที่ยง ถ้ารู้มันเที่ยงก็่าไปมีมันดีกว่าถ้าไม่มีมันก็ไม่ต้องทุกข์ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องทุกข์กับใครไม่ต้องทุกข์กับอะไรแต่ไม่รู้ถ้าไม่ได้ก่าหาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้มาฟังเทศ์ฟังธรรมนี้จะถูกความหลงครอบงำจิตใจทาให้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงทาให้เห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าสุขทาให้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเรา แต่ถ้ามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้ ว, ลวจะได้ยินอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกเวลาที่มันต้องจากเราไปเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นของเราเราไปควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้วันดีเกินดีไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องจากเราไปอย่างแน่นอนก่อนที่ธรรมะมีธรรมะจึงไม่ค่อยมีอะไร พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรไม่มีภรรยาไม่มีลูกมีก็สละไปยกให้คนอื่นไปให้เขาท่านไม่มีอะไรท่านมีเพียงอัฏฐบริขารเท่านั้นเป็นเครื่องจาเป็นเครื่องใช้สอยที่จำเป็นในการดำรงชีพมีบาทหนึ่งใบมีผ้าไตสามผืนมีประคตเอวหนึ่งชิ้นมีที่มีมีดโกนมีเข็มกับได ไว้ซ่อมปะจีวอนแล้วก็มีที่กรองน้ำไว้สามตะสาหรับตักน้าดื่มตักน้าจากลาธารลาห้วยขึ้นมาดื่มเพราะจะได้ไม่ต้องเอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยถ้ามีที่กรองในที่ตักน้ำนั้นอั น, นี่ก็คือความฉลาดคนฉลาดจะมีแค่นี้มีสมบัติที่จำเป็นเท่านี้แล้วก็มีแบบไม่รูหรามีแบบพอใช้สายได้ตาม ตามประโยชน์ของมันอาหารก็มีไว้กินอาหารชนิดไหนก็ได้เบนณาบาดมาเกาให้อะไรมากินได้ทั้งนั้นกินเพื่อดับความหิวเมื่อไม่หิวแล้วก็จบเสื้อผ้าเครื่องนุนห่มก็ป้องกัน ร, ร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจากอากาศหนาวเย็นต่างๆจากการถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยอยู่แบบสมถะเรียบง่ายคนที่ฉลาดคนโง่นี้จะอยู่แบบพลุงพลังเต็มไปหมด มีอะไรล้นบ้านล้นช่องแล้วก็ต้องมาปวดหัวกับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มันสุขหรือทุกข์กันนะ่ลองไปพิจารณากันดูนี่คือเรื่องของการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเรื่องของวิธีการดับทุกข์ว่าดับกันอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นทรงผู้ค้นพบวิธีดับทุกข์ก็คือมักดับทุกข์ด้วยมักแปดดับด้วยสัมมา ทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสำมาวะสำมาสังกโปความคิดที่ถูกต้องสำมากรรมโตการกระทําที่ถูกต้องสำมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสำมาอาชิโวอาชีพที่ถูกต้องสำมาวายาโมความภาคเพียรที่ถูกต้องสำมาสติการระลึกรู้ที่ถูกต้องสำมาสัตมาธิการตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องเ แล้วท่านก็นําเอามาเสพเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราถ้าพวกเราฉลาดพอที่จะเข้าใจพอที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้พวกเราก็จะมีโอกาสได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและภาษาวลกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันจึงขอฝากเรื่องของการตัดรู้มรรคแปดของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิจิตรพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์อันสูงสุด คือการได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างถาวน ก, การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวารวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุ ป, ปกาปติ อิติตังปาติตังตุ მ หังกิพเปเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยัทามณิโชติหะโสยัทาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพารโขวินัสตุ มาเตพววตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภาะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรมมวาทานติอายุวโนโอสุขังภาลางลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ใครมีคําถามสงสัยเรื่องธรรมะก็ถามได้ในช่วงนี้เลยจะเปิดโอกาสให้ถามได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมเท่านั้นเพราะหลังจากเลิกประชุมแล้วก็ไม่ขอตอบหลังใหม่ถ้าจะถามเมื่อต้องถามหน้าใหม่ถ้าไม่อยากจะโผล่หน้าก็ขเขียนข้อความมาให้ผู้อื่นเขาอ่านแทนก็ได้แต่อย่ามาถามหลังใหมเพราะปิดใหม่แล้วปิดปากใครอยาก เดี๋ยวก่อนจะขอถามว่าทางบ้านทางบ้านมาเข้ามาเท่าไหร่วันนี้วันนี้ทางเฟซบุ๊กสามร้อยสามสิบเอ็ดค่ะแล้วก็ยูทูบหนึ่งร้อยห้าส่วนผู้เล่าฟังบนเขาหนึ่งรอยี่สิบสองรวมทั้งหมดห้าร้อยห้าสิบแปดค่ะห้า้อยห้าสิบแปดเชิญถามได้ส่งไมโครโฟนไปให้ผู้อยากถามพูดใกล้ๆไมโครโฟนหน่อยนะจะได้ยินเสียงชัดๆค่ะเจากที่เคย เอฟังพระท่านพูดมาหลายท่านนะคะแล้วท่านก็จะบอกว่าให้ดูจิตแล้วหนูก็ลองดูจิตดูแล้วแล้วก็มีคําถามว่าเวลาที่เราดูจิตเนี่ยมันเป็นมันแยกระหว่างจิตกับความคิดได้ยังไงบางทีดูแล้วมันก็คิดว่าจริงๆแล้วเราคิดมันคือความคิดหรือเปล่าอยางเงี้ยค่ะนั่นแหละคนสอนสอนไม่เป็นไง เด็กยังอ่านกอไก่เขาขายไม่ได้ให้ไปอ่านหนังสืออ่านให้ไปอ่านาสารคดีไปอ่านอะไรมันอ่านไม่รูออกหรอกดูจิตถ้าไม่มีเครื่องมือดูมันก็ดูไม่ได้การจะมีดูจิตได้ต้องมีสติก่อนต้องมีสมาธิก่อนถึงจะดูจิตได้ไมะนั้นมันก็งงไม่รู้ว่าตัวจิตตัวรู้กับตัวคิดเป็นอันไหนกันแนะ่ท่านั้น ถ้าอยากจะดูจิตนี้ต้องผ่านขั้นแรกก่อนต้องไปฝึกสติก่อนจเจริญสติทั้งวันอย่างที่เมื่อกี้ได้สแสดงไว้สมาสติเพื่อจะได้มีกําลังหยุดความคิดเวลานั่งสมาที่หยุดความคิดได้ก็จะเหลือตัวรู้ะทีนี้จะรู้แล้วว่าตัวรู้คืออะไรตัวคิดตัวอะไรตัวไหนเป็นตัวปัญหาเราจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดน อันนี้ถ้าไม่ไปปฏิบัติฟังนี้มันก็ไม่รู้เรื่องดูก็ดูไปอย่างนั้นดูก็ถึงแม้จะดูก็ทำอะไรมันไม่ได้เช่นดูความคิดมันคิดไม่ดีก็หยุดมันไม่ได้นี่เราต้องเบรช่างสร้างเครื่องมือที่จะมาหยุดความคิดให้ได้ก่อ น, น, นก็คือสติไปฝึกสติเหมือนเหมือนสอนให้คนขับรถแต่ไม่ติดเบรคให้เขาไม่สอนว่าเบรอยู่ตรงไหน สอนแต่คันเร่งไม่สอนว่าเวลาจะหยุดรถหยุดยังไงมันก็ชนกันเท่านั้นนะน่ะนะเห็นต้องไป ห, หาวิธีหยุดความคิดให้ได้ก่อนแล้วเราก็จะได้รู้ว่าตัวรู้กับตัวคิดนี้เป็นตัวไหนกันแนะ่ม <c oughs> าสการ์ค่ะหลวงพ่อหนูจะถามเรื่องการนั่งสมาธิเจ้าค่ะคือ อ, อ, อาทิตย์ที่ผ่านมาหนูนั่งทุกวันแล้วมันก็มีอยู่ ช่วงขนาดหนึ่งที่นั่งไปได้สักพักหนึ่งมันมีฝาบโกรธขึ้นมาเรื่องอดีตขึ้นมาขณะที่หนูพูดโทหนูโกรธโกรธอดีตที่คนทำให้หนูรู้สึกอะไรก็ช่างเสียหายหนูก็หนูก็พยายามพอมันโกรธปุ๊บหนูก็พูดโธพุดโธแต่ขณะที่หนูพูดโธหนูมีความคิดว่าหนูไม่ได้สงบเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่หนูก็พูดโธ กับไอ้ไอ้สู้กับไอ้ตัวความโกรธนะแล้วเจ้าค่ะแล้วหนูก็นึกถึงว่าหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูนั่งเนี่ยหนูไม่ได้สงบเลยแต่หนูก็ทนที่จะนั่งพุทโธต่อไปหนูคิดว่าหนูก็นั่งจนไปกระทั่งมันปวดปวดไหมถึงปวดทั้งขาจนเน็บคือพักใหญ่เลยเจ้าค่ะคือนั่งจนมันหายปวดปวดแล้วหายน่ยแต่หนูจะถามคําถามวันนี้ครับว่าหนูจะแก้ตรงขณะที่มันเกิดพุดขึ้นมาตรงโกรธเนี่ยเจ้าค่ะยังไงดีเจ้าค่ ะ, คะแก้ไม่ได้หรอกต้องทําใจเฉยๆปล่อยมันเกิด อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทธโธไปแล้วใจเราจะเป็นอุเบกขาจะไม่เดือดร้อนกับการเกิดของมันไม่ว่าจะเป็นความปวดหรือความคิดไปโกรธใครเราก็จะไม่วุ่นวายไปกับมันอย่าไปยุ่งกับมันเหมือนเรานั่งเรากำลังนั่งทำอะไรอยู่คนนั้นจะมาชวนเราไปทำนุ่นไปพูดอะไรก็อย่าไปสนใจเราก็ทำงานของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอเขาชวนเราไปไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไปเอง แต่เราไปยุ่งกับเขาไปตอบไปโตกันมันก็เลยไม่มีวันจบงั้นอย่าไปสนใจให้ให้พยายามพุทธโธให้ถี่มากขึ้นให้มันอยู่กับพุทธโธให้ได้มากขึ้นแล้วอะไรจะมาแทรกความคิดไม่ดีมาแทรกหรือความเจ็บมาแทรกก็อย่าไปสนใจมันยิ่งต้องพุทธโธให้มันถี่ใหญ่เลยพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนั้น่ะเดี๋ยวมันก็หายไปเอง ถ้าไปเล่นกับมันเ๋ยวมันก็อยู่สิสาธุเจต้องอยู่กับพุทโธอย่างเดียวให้มันตายขาดใจไปกับพุทโธเลยทำบริกรรมอย่างอื่นก็ได้ไม่พุทโธก็ได้จะสวดมนต์ไปก็ได้เอติปิโสปะกวาหลังสัมมาสัมพุทโธพุทธังสานังกชามิธรรมังสานังกชามิท่องมันไปอย่าไปคิดถึงไอ้เรื่องที่มาลบกวนใจเราเดี๋ยวมันก็หายไปเอง คำถามจาก facebook ค่ะจากคุณพิพัฒน์พงศ์การพิจารณาทุกขเวทนาที่เกิดจากการนั่งหลายชั่วโมงหรือเกิดจากการเจ็บป่วยใกล้ตายเราควรพิจารณายังไงดีครับก็ปล่อยวางไงพิจารณาเพื่อปล่อยวางว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนดินน้ำลมไฟเป็นดินฟ้าอากาศเราปล่อยวางดินฟ้าอากาศหรือเปล่าปล่อยใช่ไหมฝนจะตกแดดจะออกเราไป อยากจะให้มันตกแล้วอยากจะให้มันไม่ตกว่าเปล่ามันตกก็ปล่อยมันตกไปเราก็ไม่เดือดร้อนกับมันอยู่กับมันได้น้ําท่วมก็ต้องอยู่กับมันได้ใช่ไหมมันจะท่วมมันจะทําไงไปห้ามมันไม่ให้ท่วมได้เปล่ามันก็ท่วมท่วมก็ท่วมไปอันนี้ก็เหมือนกันเวลาร่างกายเจ็บมันก็ต้องเจ็บของมันไปเราไปสั่งให้มันหยุดได้เปล่าสั่งให้มันหายได้เปล่าเมื่อมันไม่หายก็ปล่อยมันไปแต่เราไม่ยอมปล่อยเลย เราพยายามที่จะไปหาวิธีกําจัดมันเช่นถ้าขยับตัวได้ก็ขยับที่ถ้าเกิดเวลาเจ็บป่วยใกายตายมันขยับไงไหมันก็ไม่หายอย่าทำยังไงก็ต้องทําใจอย่างเดียวเพราะถ้าไม่ทําใจมันจะทรมานมันจะเจ็บสองชั้นเจ็บที่กายแล้วต้องมาเจ็บที่ใจด้วยแล้วตัวที่เจ็บเจ็บที่รุนแรงก็คือตัวเจ็บที่ใจที่เราสามารถกําจัดได้ถ้าเราปล่อยวางความเจ็บทางร่างกาย อย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปวิธีที่จะทำให้มันไม่ไปอยากก็มีสองวิธีวิธีแรกก็ใช้สติพุโทโธพุโทโธไปอย่างที่เมื่อกี้ตอบคำถามนั้นอย่าไปอยากให้มันหายมึงจะอยู่ก็อยู่ไปกูก็พุโทโธของกูไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะอยู่ไม่อยู่มันก็ไม่เป็นไรถ้าใจเรานิ่งใจเราเป็นอุเบกขาล้วก็จะไม่เดือดร้อนก็จะอยู่กับมันได้ยิ้มกับมันได้ไม่ต้องแยกเขี้ยวใส่มันนะ วิธีแรกคือง่ายๆก็พุโทโธใช้สติแยกใจออกจากเวทนาวิธีที่สองก็สอนใจว่ามันต้องเจอมนะันอ่ะมันเป็นเงาตามตัวเราไม่ว่าจะไปไหนมาไหนมันตามเราไปทุกแข่งใช่ไหมความเจ็บนี่มันตามเราไปหรือเปล่าอยู่ที่บ้านอำเภอก็เจ็บอยู่ที่วัดนี่ก็เจ็บไปกรุงเทพก็เจ็บไปโรงพยาบาลก็เจ็บออกจากโรงพยาบาลก็เจ็บมันตามเราเป็นเหมือนเงาตามตัวแเราจะไปขับไล่มันได้ยังไง ก็อย่าไปขับไล่มันเสียที่ทุกข์ก็เพราะพยายามจะไปหนีมันเน่ยหนีมันเท่าไหร่ก็หนีมันไม่พ้นอ่ะหนีเงาตัวเองได้เปล่าทําไมเราไม่หนีเงาตัวเราเพราะเรารู้ว่าหนีไม่ได้ใช่ไหอไปไหนมันก็เป็นเงาตามตัวเราความเจ็บมันก็ตามตัวเราไปตามร่างกายเราไปร่างกายอยู่ที่ไหนความเจ็บมันก็ต้องอยู่ที่นั่นแหละอแล้วเราอยู่กับร่างกายเราก็ต้องรู้จักวิธีอยู่กับมันก็อยู่แบบไม่ไปวุ่นวายกับมัน อย่าไปยุ่งกับมันเหมือนกันเราไม่วุ่นวายกับดินฟ้าอากาศเราก็อย่าไปวุ่นวายกับความเจ็บของทางร่างกายที่เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศนี่ อ, อนัตตาเราว่าอนัตตาก็คือเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นของธรรมชาติเมื่อเป็นของธรรมชาติเราก็ต้องให้ให้เป็นเรื่องของธรรมชาติไปมันจะเกิดมันจะดับก็ต้องปล่อยมันไปตามเรื่องของมัน เหมือนกับฝนฟ้าอากาศมันจะตกก็ต้องปล่อยมันตกไปเท <Yeah. S 1> ่านั้นพอเราปล่อยได้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะสบายอันนี้เป็นการใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาได้มันจะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไปเพราะมันรู้ว่าอยู่ด้วยกันได้ไม่มีปัญหาเหมือนกับเงาเราเราอยู่กับเงาได้เราก็ต้องอยู่กับความเจ็บได้ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายแล้วมันไม่มีปัญหา ปัญหายอยู่ตรงที่มันอยากจะให้มันหายอยากจะให้มันไม่มาทนั้นเองคำถามต่อไปคะ่ะมีเพื่อนเป็นคนนับถือคริสเขาฝึ่งเสียชีวิตดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราควรทำบุญแบบไหนเขาถึงจะได้รับบุญจากเราบ้างครับก็ <c oughs> ทำบุญใส่บาตรหรือถวายเงินทองให้กับวัดวาอารามหรือที่องค์กรสาธารณะกุศลต่างๆ เสีสละเงินทองไปเราก็อุทิศบุญที่ได้จากการเสีสละเงินทองให้เขาได้ถ้าดวงวิญญาณเขารอรับอยู่แต่ดวงวิญญาณนี้ก็ต้องไปตามบุญตามบาปถ้าบางทีไปอยู่ที่รับไม่ได้ก็รับไม่ได้เช่นไปตกนรกก็รับไม่ได้ไปเป็นเทวดาก็มีบุญเหลือเฟือไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของผู้อื่นอันนี้ก็แต่เราก็ทำไปในฐานะที่เราเป็นห่วงเป็นใ ย, ยเขา แล้วเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้ก็ทำได้แค่นี้คำถามจากคุณจงซีนีค่ะสามีภรรยาที่เลิกลากันไปนานแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอยากทราบว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะไปเยี่ยมในฐานะมนุษย์ด้วยกันจะเป็นการเหมาะสมหรือไม่คะแต่ว่าถ้าต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวใหม่แล้วค่ะเมตตาอธิบายด้วยค่ะ ก็ดูสิว่ามันเหมาะหรือเปล่าไปแล้วจะทำให้เขาดีใจหรือเสียใจถ้าไปแล้วทำให้เขาเสียใจก็อย่าไปถ้าไปแล้วทำให้เขาดีใจมีความสุขว่าเออเรายังคิดถึงเขาห่วงเขาอยู่ก็ไปก็ลองโทรไปถามาก่อนขออนุญาตก่อนว่าขอไปเยี่ยมได้ไหมในฐานะที่เป็นคู่รักกันเก่าแต่ถ้าภรรยาใหม่เขาสามีใหม่เขาไม่ยินดีก็อย่าไป เขกลัวเราจะไปเป็นมือที่สามไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเกิดเผื่เขาหายแล้วกลับมาหาเราเลยจะยุ่งก็ต้องใช้ใช้การวิเคราะห์ใช้การคิดดูไม่แน่ใจก็สอบถามดูโยนหินถามทางได้นี่ฮะว่าถ้าถ้าจะไปจะเป็นยังไงไหมอ า, าจารย์คะตอนนี้คำถามไม่มีแล้วค่ะไม่มีเลยเดี๋ยวรอเ ด, วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เข้ามา กำลังพิมพ์กันอยู่คือเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้คบค้าไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วเรายังแผ่เมตตาให้กันได้ตาเขาทุกข์ยากลำบากเราอาจจะไปเยี่ยมเขาอาจจะซื้อของไปฝากเขาเอากระเช้าดอกไม้หรืออะไรไปเป็นการแสดงน้ำใจไม่ตีต่อกันในฐานะที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน การเป็นเพื่อนนี้มันไม่ได้หมายความมันจะหมดหลังจากที่เราหย่าร้างกันไปแล้วเก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้อยู่เพียงแต่ว่าต้องดูปัจจัยรอบข้างว่าเหมาะสมหรือไม่คนที่เขาเป็นเจ้าของใหม่เขาจะหวงหรือไม่เขาจะกังวลหรือไม่อะไรทำนองนี้ก็ต้องดูให้รอบครอบก่อนถ้าไปไม่ได้เองก็ส่งเงินไปก็ได้หรือสั่งให้เขาส่งพิซซ่าไปโทนี้มีการบ ร, ริการรับส่งถึงที่ เราเพียงแต่โทรศัพท์สั่งใจ่ายเงินให้เขาเขาก็ส่งไปอยากจะให้ดอกไม้ก็สั่งไปส่งไปอยากจะให้ของขวัญอะไรก็ส่งไปได้หรือมอยากจะให้เงินก็ส่งเช็คไปหรือโอนเงินเข้าไปบอกว่าอยากจะช่วยในการรักษาพยาบาลอะไรก็ว่าไปอันนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําอย่าไปแผ่ด้วยการสวดเราเวลาสวดไม่ได้แผ่อะไร คนรับก็ไม่มีคนให้ก็ไม่ได้ให้อะไรเข้าใจั้มมันจะไปแผ่เมตตาได้ยังไงมันต้องแผ่มันต้องมีคนรับแลนต้องมีของให้เขาก็าถึงจะแผ่เมตตาได้ให้เข้าของก็เรียกว่าแผ่ให้ความสุขกับเขาถ้าเขาทำอะไรให้เราเสียหายเราโกรธเขาเราก็ให้อภัยเขาไปล้วก็หาหนูให้อภัยในต่อหน้าหนูยิ้มแย้มหนูให้ ต่อเล่นต่อหน้าแบบนี้แต่ที่ให้เนี่ยข้างในที่ลึกที่สุดเนี่ยมันยังไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเอ่าอ่เพราะเรายังเข้าไม่ถึงไอ้ตัวที่มันต่อต้านเราต้องเข้าสมาธิจิตเราต้องจิตเราต้องมีสมาธิเท่านั้นอ่ะถึงจะเข้าถึงไอ้ตัวนี้ได้อ่าอ่าใช่มันยังเข้าไม่ถึงหรอกแต่ก็ยังทําไปก็ยังดีอย่างน้อยภายนอกก็มันก็เหมือนกับว่าเราให้เขาแล้ว แต่ภายในยมันเราต้องมาสู้กับมันเอง <c oughs> เราไม่ได้ไปสู้กับเขาแล้วเรามาสู้กับไอ้ตัวนี้ <c oughs> ไอ้ตัวนี้จะถึงมันได้ก็ต้องเข้าสมาธิจิต <c oughs> ถ้าไม่มีสมาธิจะเข้าไม่ถึงตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันอยู่ลึกต้องใช้อัปปนาสมาธิถึงจะเข้าถึงตัวนี้ได้ <c oughs> ถึงจะได้อุเบกขาตอนนี้มันไม่เป็นอุเบกขาก็เพราะไอ้ตัวนี้แหละ <c oughs> ตัวที่ยังไม่ยอมให้ยังไม่ยอมหยุดเย็น่นะมันเลยไม่เย็นมันยังร้อนอยู่ ก็ถูกแล้วแหละภายนอกก็โอเคแล้วแหละส่วนภายในก็อีกเรื่องมันอาว่ามาคำถามใหม่เข้ามาคำถามจาก YouTube ค่ะจากคุณพาุวัตรปกติในเวลากลางคืนพระอาจารย์มีการปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างครับผมอ้าวก็เดินโยกผมนั่งสมาธิตัวใครตัวมันที่นี่ไม่มีปไม่มีการปฏิบัติร่วมทุกคนต้องรู้จักเวลารู้จักความเพียรต้องมีความภาคเพียรเอง ไม่ใช่จะมาให้คอยมาตีะระฆังเรืก่กงอา้าวถึงเวลาเดินจงกรมแล้วถึงเวลานั่งสมาธิแล้วอันนี้มันมันเรื่องของเด็กอนุบาลเข้าใจไหแต่ น, นี้มันไม่ใช่เด็กอนุบาลแล้วที่นี่มันเด็กมาหาหลัยเด็กมาหาหลัยเขาไม่มีจดชื่อถามว่าจะเข้าห้องเรียนหรือไม่เข้าห้องเรียนใครจะเข้าไม่เข้าก็เรื่องของคุณถึงเวลาสอบคุณสอบได้หรือไม่ได้ก็เรื่องของคุณที่นี่พระบนเขานี่เราจะไม่มีเวลากําหนดว่าใครจะปฏิบัติเวลาไหน อยากจะปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแล้วก็จะรู้ตรงที่เวลาเจอข้อสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านทั้งนั้นเอง อ, อยากจะถามคมถามใช่ไหมส่งใหม่ไปให้หน่อยเชจญรขุดไกลๆใหม่ค่ะคือจะลบก้นถามเกี่ยวกับการตั้งสติอะค่ะ ว่าจะทํายังไงถึงจะตั้งสติได้เร็วที่สุดในจังหวะที่เราแบบกําลังมีอารมณ์ไม่ดีหรือว่าฟุ้งซ่านอยู่อะค่ะท่านก็บริกรรมพุทโธไปเลยพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาอย่าไปคิดถึงคนอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เราเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปหลบไปนั่งในห้องน้ําพุทโธก็ได้ เพราะถ้ายังเห็นหน้าเขายังได้ยินเสียงเขามันยังพุโทโธไม่ออกก็หนีไปหามุมสงบแล้วก็ไปสงบตอนแรกก็สงบกายก่อนหนีออกจากเหตุการ์ไปก่อนแล้วก็ไปสงบใจต่อด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้อย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธแล้วเดี๋ยวสักพักห้านาทีสิบนาทีมันก็หายโกรธได้แต่อย่าไปอยากให้มันหายโดยไม่พุโทโธยิ่งอยากมันยิ่งไม่หาย อย่าไปอยากให้พุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวให้ลืมมันเลยลืมเรื่องที่ทําให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายเองแต่จะทําได้ต้องหัดทําพุโทโธไว้ก่อนเหมือนนักฟุตบอลเนี่ยถ้ายังไม่หัดเตะเดี๋ยวถึงเวลาจะเตะมันเตะไม่ออกเพราะอะไรนต้องซ้อมก่อนต้องหมั่นซ้อมอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราทํากิจที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปเช่นตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาเริ่มพุโทโธไปเลย ทำเกดอะไรต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดอาบน้ําแต่งตัวนั่งหน้าแปลงฟันกับพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดแล้วต่อไปถึงเวลาเราจะใช้พุทโธเราจะได้ใช้มันได้คำถามจากคุณสาวค่ะมีไหมยมีคำถามไหยต่อเปล่าได้ค่ะเอาสิเอาสิให้ให้เ็าถามให้ให้เ็าถามให้หมดเลยอย่าเพิ่งให้ก็ถามให้หมดกัน คิดว่าไม่มีแล้วแต่ว่าถ้าไม่ใช้พุดโธก็อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าว่าใช้การสวดมนต์ได้ใช้บทอื่นก็ได้แต่ว่าแต่ว่าก็คือถ้าเอากายออกไม่ได้เนี่ยทํำยังไงดีล่ะก็หลับตากันแล้วกันแล้วถ้ า, ามีอะไรปิดหูได้ก็ปิดหูเข้าไป <c oughs> เอาหูฟังปิดเข้าไปออย่าไปฟังอย่าไปเห็นมันก็เหมือนกับเอาร่างกายออกไปหละทําเป็นสลบไปก็ได้แก้งไปลมแกล้งเป็นลมไปปุ๊บไป ว่าใช้วิธีการที่แบบเราไปฟังเพลงหรืออะไรก่อนเราค่อยกลับมาบริกรรมด<ะ>ันะะมันสู้มันสู้สไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไม่มีเพลงฟังหรือไปฟังเพลงที่ไม่ดีเดี๋ยวก็อารมณ์เสียอีกะเดี๋ยวถึงเวลาจะหาเพลงหาไม่เจอเพลงฟังใช้พุทโธนี่เด้อของมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาแล้วเราใช้มันได้ทุกแห่งทุกหนไปอยู่ที่ไหนที่ไม่มีเพลงฟังเราก็ยังใช้พุทโธได้อยู่ ถ้าไปอยู่ที่ไม่มีไฟฟ้าเดี๋ยวไม่มีไฟเปิดเพลงก็ฟังไม่ใช้ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าหรือแบตหมดนี่จะเปิดเพลงฟังก็ฟังไม่ได้เราจะใช้อะไรใช้พุทโธนี่แหละเอาของที่มีในตัวเราพึ่งตัวเราดีกว่าไปพึ่งของภายนอกนะอออาดพุทโธไปอ่ะทางนี้ต่อสงสัยอย่างเดียะคะ่ะเอออย่างเวลา เล่นดนตรีหรือว่าเล่นกีฬาเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามีสติแล้วก็สมาธิเหมือนกันแต่มันมิดชาสติมิจฉาสมาธิมันไม่ทำให้ใจสงบสงบแต่ก็ไม่มากแล้วอาจจะไม่สงบก็ได้เดี๋ยวเล่นผิดเล่นถูกก็ไมก่ก็อารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นได้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าคนที่เข้ า, าไปเที่ยว ก, ก็ใช้สติเหมือนกันแต่มันไม่ใช่สติที่จะทาให้ใจสงบมันไม่ใช่เป็นสติที่ระ ง, งับกิเลส เป็นสติที่ทำให้เกิดกิเลสได้ง่ายพอเราเล่นเล่นผิดเล่นถูกแล้วก็ไม่พอใจขึ้นมาได้ยิงนั้นให้มีสติอยู่กับกรรมฐานสี่สิบนี้อย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้อนาปนานสติก็ได้บทสวดมนต์ก็ได้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นกรรมฐานที่จะทำให้ใจเรานิ่งสงบได้คำถามจาก a ฟ e b o ๊ k จากคุณเสาค่ะ สามีมีอาชีพเลี้ยงกุ้งพอสามีเสียชีวิตภรรยาจําเป็นต้องจับกุ้งวัวสุดท้ายเพื่อชําระหนี้สินในกรณีนี้ภรรยาจะบาปมากไหมคะสามารถลบลดบาปในการจับกุ้งได้อย่างไรบ้างเจ้าคะก็อย่าไปจับสิถ้าไม่จับมันก็ไม่มีบาปจะไปจับมันก็บาปก็ยอมอดมือ้อกินมื้อไปดีกว่าะ ยอมอย่าไปจับถ้าถ้ากลัวบาปถ้าไม่อยากจะไปรับผลบาปก็อย่าไปทําเลิกกิจการนั้นไปอดีตที่ทํามาแล้วก็ต้องยอมรับกรรมของมันต่อไปแต่กรรมใหม่เราอย่าไปทํากรรมมันก็จะไม่มากขึ้นแล้วมันก็จะค่อยๆหมดไปหลังจากที่มันได้ส่งผลแล้วคําถามจากคุณกุหลาบค่ะนั่งสมาธิสวดมนต์ทีไรง่วงนอนทุกที เป็นเพราะความเพียรน้อยไปหรือเปล่าเจ้าคะ่ะมีวิธีแก้ไหมเจ้าคะมันเป็นหนึ่งมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของจิตของคนที่มีกิเลสพอต้องทำอะไรที่มันไม่สนุกสนานไม่กระทึกไม่เล้าใจมันก็จะง่วงแต่ถ้าให้ไปดูหนังฟังเพลงไปเล่นการพนันนี่มันไม่ง่วงมันตื่นเต้นเล้าใจอันวิธีแก้ก็คือถ้านั่งแล้วมันง่วงก็ต้องลุกขึ้นมาเดินแทน แทนที่จะนั่งก็เดินจงกรมแทนเดินไปก็พุโทโธไปดูลมไปหรือดูเท้าไปจนกว่าจะหายง่วงหรือจนกว่าจะเมื่อยล้วก็กลับมานั่งใหม่ถ้ายังง่วงอยู่ขั้นต่อไปถ้าอยากจะปฏิบัติจริงๆอย่างจังก็ต้องถือศีลแปลดอาหารอย่างน้อยก็ถือศีลข้อหกแก้ความง่วงในเวลาหนังท้องเต่งหนังตา ม, มันก็หย่อน เ ว, าาเวลากินอาหารใหม่ๆอย่าไปนั่งสมาธินั่งง่าก็หลับเวลากินอาหารเสร็จถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมก็ต้องเดินจงกรมแทนเดินไปให้มันให้มันไม่ง่วงให้มันตื่นพอมันหายมันไม่รู้สึกง่วงแล้วเราค่อยไปนั่งอาจจะต้องเดินสักชั่วโมงสองชั่วโมงนนให้มันหายง่วงอาหารมันได้มีการย่อยแล้วอะไรแล้วมันต่อไปมันก็จะไม่ง่วง ดังนถ้าอยากภาวนาได้ผลดีไม่ต้องการมีปัญหาเรื่องของความง่วงก็ต้องรู้จักลดอาหารผ่อนอาหารรับประทานพอดับความหิวก็พออย่าไปรับประทานให้มันอิ่มถ้าอิ่มแล้วมันจะมากเกินไปรับประทานพอมันไม่หิวพอรับประทานไปแล้วรู้สึกว่าเออไม่หิวแล้ะก็เอาน้ํามาดื่มให้มันอิ่มแทนดื่มน้ําให้มันอิ่มแทนะดื่มน้ําสักแก้วสองแก้วมันก็อิ่มแล้วมันจะทําให้ไม่ง่วง คำถามจากคุณปรเมศค่ะภรรยาท้องได้ห้าเดือนแล้วคลอดก่อนกําหนดแบบนี้เป็นเพราะเด็กไม่มีวาสนาเป็นหรือเป็นเพราะเขามีกรรมน้อยแล้ววิญญาณเขาจะเป็นวิญญาณได้ร่อนหรือเปล่าครับแล้วจะต้องใช้เวลาอีกนานไหมที่จะกลับมาได้เกิดใหม่ค่ะ อ, อ๋อมันก็เป็นเรื่องของหลายอย่างด้วยกันบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นกรรมของเขาก็ได้อาจจะเป็นเพราะความบกพร่องของทางร่างกายของแม่หรือของเด็กก็ได้ ที่ทำให้ไม่สามารถทำให้การตั้งครรภ์นี้สาเร็จเรล่องไปหรืออาจจะเป็นกรรมของเขาก็ได้าชาติก่อนเขาอาจจะเคยไปทำแท้งมาเวลาเขาตั้งท้องแล้วเขาก็เอาเด็กออกไปพอเขามาเกิดเขามาเป็นเด็กในท้องก็เขาอาจจะโดนถูกทำแบบเดียวกันเพราะทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น อมันก็มีหลายสาเหตุนอกจากกรรมแล้วมันก็มีเรื่องของความไม่ปกติของทางร่างกายของแม่หรือของเด็กมันก็มีหลายส่วนคำถามจากคุณมาทุชาค่ะการที่ฝันถึงคนเดิมบ่อยๆโดยที่เราไม่ได้คิดถึงเขาแสดงว่าคนนั้นเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราที่เราเคยทําผิดกับเขาหรือไม่อย่างไรคะก็ไม่แน่อาจจะเป็นเจ้ากรรมหรืออาจจะเป็นคู่รักกันก็ได้ ถ้าเรามีความผูกพันกับเขาเราก็อาจจะฝันถึงเขาอย่างใดอย่างหนึ่งผูกพันเพราะโกรธเพราะเกลียดหรือเพราะรักเพราะชังมันก็แล้วแต่เหตุผลคำถามจากคุณชนิกาค่ะเรียนถามว่าคนที่ทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมในที่สุดค่าตัวตายเมื่อตายไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิไหนเจ้าคะก็ต้องไปใช้บาปที่ค่าตัวตายไปอยู่นรกก่อน แล้วพอพ้นจากนารกขึ้นมาก็อาจจะ ก, กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วอาจจะ ก, กลับมาฆ่าตัวตายใหม่เพราะมันจะเป็นนิสัยพอมีปัญหาแก้ไม่ได้ก็แก้ด้วยการฆ่าตัวตายอย่งนั้นอยากฆ่าตัวตายเพราะมันจะทําให้เราต้องกลับมาฆ่าอยู่เรื่อยๆแก้ปัญหาแบบไปเข้าวัดดีกว่าไปฟังเทศฟังธรรมไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมหรือทําใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เดี๋ยวไม่นานมันก็ผ่านไปเราจะได้ไม่ต้องมาฆ่าตัวตายทนี้ต้องกลับมาฆ่าตัวตายเรื่อยๆเพราะเราเคยทําอะไรไว้มันจะกลับมาทําอย่างนั้นเช่นเราถนัดมือขวาเราก็กลับมาใช้มือขวาถนัดมือซ้ายเราก็กลับมาใช้มือซ้ายถนัดฆ่าตัวตายเราก็จะกลับมาฆ่าตัวตายอยู่เรื่อยๆคําถามต่อไปจากคุณฟูคะ่ะการที่เราถือศีลห้าแต่เราดูรูปเกี่ยวกับรูปโป้หน่อย ผิดศีลข้อสามไหมครับถ้ายังไม่ไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของคนอื่นหรือกับคนอื่นถ้าเรายังไม่แต่งงานแล้วเราไปร่วมหลับนอนกับคนอื่นก็เธอว่าผิดข้อสามแต่ถ้าดูเฉยๆไม่ผิดอีกข้อหน<ม>ึ่งค่ะว่าอาจารย์แล้วก็บอกว่าถ้าเรานึกถึงคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะผิดศีลข้อสามไหมครับยังไม่ผิดเหรอถ้ายังไม่มีการกระทําแต่มันไม่ดีเพราะาเดี๋ยวมัน ทนไม่ไหวคิดบ่อยๆเขาเดี๋ยวมันห้ามไม่อยู่ <laughs> แตาจะคิดถึงเขาให้คิดถึงอสุภะแทนให้คิดถึงอสุภะของเขาคิดถึงตับไตไส้พุงคิดถึงกระโหลกศีรษะคิดถึงโครงกระดูกเขาอย่างนี้มันก็จะทำให้เราระ ง, งับความคล้ยความอยากในตัวเขาได้คาถามจากคุณอิสเรซค่ะในการปฏิบัติสมาธิบางครั้งอารมณ์ฟุง้ง เราเราสามารถใช้กสินแทนได้ไหมครับหรือควรยึดอานาปานสติไว้อย่างเดียวครับก็ลองดูเสพมีหลายวิธีด้วยกันแต่ขณะใดาที่เรากำลังใช้อย่างใดยอย่างหนึ่งก็ควรจะใช้อย่างนั้นไปอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับเขาบอกว่าเวลาแข่งมา้าอย่าไปเปลี่ยนมา้าเวลากาลังแข่งอยู่แต่ก่อนจะแข่งเลือกม้าได้จะขี่ตัวไหนแต่พอเริ่มออกจากที่สตาร์ทแล้วทีนี้ก็อย่าไปเปลี่ยน พราะมันจะไปไม่ถึงจะไม่ชนะนะงั้นถ้าเราเริ่มนั่งสมาธิแล้วดูลมก็ต้องดูลมไปจนกว่าจะดูไม่ไหวเลิกอ่ะข้าวหน้าลองมาใช้กระสินดูคำถามจากคุณชาิกาค่ะการฆ่าตัวตายจริงหรือไม่ที่จะต้องวนเวียนกับการฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยชาติคะเนี่ยก็ตอบไปแล้วไงว่าจะต้องกลับมาฆ่าตัวตายอยู่เรื่อยติดเป็นนิสัยจะห้าร้อยชาตินี้เป็นเพียงแต่ ความเปรียการประมาณเท่านั้นเองอาจจะมากก็อาจจะน้อยก็ได้แล้วแต่ว่าชาติต่อไปไปเจอใครเขาช่วยสอนให้เราแก้วิธีแก้ปัญหาไม่ต้องฆ่าตัวตายเช่นเรามาเจอพระพุทธศาสนาท่านก็สอนว่าฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาตัวที่ปปัญหาที่ต้องฆ่าก็คือกิเลสเนี่ยมาฆ่ากิเลสดีกว่าเหมือนพระพุทธเจ้าสอนองค์กุลิมานบอกว่ามาฆ่าคนอื่นมันไม่มีมันไม่ได้ประโยชน์หรอกมาฆ่ากิเลสดีกว่า พองกินละมานเชื่อปั๊บก็มาฆ่ากิเลสก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วกรรมที่ไปฆ่าคนต้องก้าวร้อยกว่าคนก็ไม่ต้องมารับใช้เพราะไม่มาเกิดอีกแล้วคำถามจากคุณธากรค่ะการสร้างเจดีย์ใหญ่ๆ ห, หรือสถานสถานปฏิบัติธรรมใหญ่ๆเป็นการทําบุญที่ถูกต้องหรือไม่และมีอนิสงส์หรือไม่ครับการจะสร้างอะไรใหญ่เล็กๆมันก็อยู่ที่ เหตุผลบางทีมีคนเยอะมาปฏิบัติสถานที่ก็ต้องใหญ่บางคนถ้าไม่มีคนมาปฏิบัติไปสร้างมัน ใ, นใหญ่ก็เสียประโยชน์เปล่าๆส่วนเจดีย์นี้ก็อยู่ที่ความสามารถของผู้สร้างถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นก็สร้างใหญ่ใช่ไหมปรถมเจดีย์นี้พระเจ้าแผ่นดินสร้างนี่นครประถมอันนี้ก็แล้วแต่เหตุผลความเหมาะสมความสามารถของผู้สร้าง ว่าควรจะสร้างใหญ่หรือเล็กคำถามต่อไปค่ะถ้ามีภรรยาแต่ไม่มีลูกจะออกบวชถือว่าเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมกับภรรยาหรือไม่ครับเพราะเคยถามพระท่านหนึง่งท่านบอกว่ า, อ ย, าอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวจะเป็นเวรกรรมต่อกันให้ดูแลซึ่งกันและกันไปก่อนแต่ใจก็ก็สงสารภรรยาเพราะเป็นคนดีมากครับแต่ใจก็ยังจะก็ยังอยากจะบวชอยู่ครับ ก็อยู่ที่ว่าภรรยายินยอมหรือไม่ถ้าเขายินยอมก็ไม่มีเวรมีกรรมกันเขาถ้าเขาอนุโมทนาแสดงความยินดีไปเลยพี่ฉันจะได้หาใหม่ได้วงเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนเดียวในโลกนี้เข้าใจมีคนอื่นอีกเยอะแยะที่เขานำรอคิวอยู่คำถามจากคุณกาลาค่ะ บางทีเวลากลางวันนอนอยู่เฉยๆบางครั้งในหัวใจก็จะคิดร้องเพลงผุดขึ้นมาเองวนซ้ำๆวนไปมาจะนึกถึงพุโทโธพุโทโธพุโทโธแบบนั้นบ้างไม่ยอมผุดนึกคิดซ้ำๆบ้างควรจะแก้ไขหรือฝึกอย่างไรดีครับก็ต้องบังคับให้ฝึกพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าให้มันไปกับเรื่องอื่นเหมือนกัรเดินน่ะถ้าเราไม่บังคับเดี๋ยวมันการจะเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาโซเซ แต่ถ้าเราบังคับมันก็จะเดินตรงๆได้นใจเรามันอย่างเงี้ถ้าเราไม่มีสติมันจะโลเลเดี๋ยวมันก็ไปตามอารมณ์มีอะไรมาชวนให้มันไปก็ไปเดี๋ยวความคิดให้ร้องเพลงมันก็ร้องเพลงความคิดให้คิดถึงคนนั้นคนนี้มันก็จะคิดแต่ถ้าเราคอยบังคับให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปต่อไปมันก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราอีกข้อหนึ่งก็แล้วกันนะข้อสุดท้ายแล้ว คำถามจากคุณมลค่ะกลาบนมัสการพระอาจารย์ขอถามว่าถ้าเราอยากทำตามสัจจะสัญญาที่ไว้ให้กับผู้หญิงที่เคยมีความสัมพันธ์แบบภรรยาคือจะให้เงินเธอใช้แบ่งเบาภาระจะเป็นบุญหรือบาปครับไม่เป็นสามีภรรยากันแล้วในปัจจุบันครับก็การให้เงินทองกับใครก็เป็นบุญทั้งนั้นแ่ะไม่มีความเสียหายอะไรนอกจากว่าถ้าเรา เอาเงินทองของภรรยาเราไปให้เขานี้ก็ต้องบอกภรรยาเราก่อนว่าจะขอช่วยเหลืออดีตภรรยาอก็ต้องขออนุญาตจากภรรยาให้เขารับรู้ดีกว่าเพราะไม่เช่นนั้นเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ซื่อสัตย์กับเขาก็ได้ฉ ะ, ะนั้นก็ย่อแต่ว่าถ้าเราเป็นโสดก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรามีคู่ครองเราจะไปช่วยเหลือผู้หญิงนี้เราก็อาจจะต้องคุยกับสามภรรยาเราก่อน อย่างน้อยให้เขารับรู้ว่าเราไม่มีอะไรกับเขาเรามีแต่ความเมตตาจริงๆสงสารเขาส่วนภรรยาจะอนุโมทนาหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่เขาถ้าเขาไม่อนุโมทนาเราก็อาจจ ะ, ะไม่สามารถทำได้หรือทำได้อาจจะต้องทำในส่วนที่เป็นของเราแลวไม่ต้องให้เขารับรู้แต่ก็ควรระมัดระวังเพราะเดี๋ยวอาจจะเป็นมีการนอกใจของกับภรรยาของเราก็ได้